เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนที่ผมกำลังจาบน้ำออกไปข้างนอกพอดีจ่าออสโทรมาเร่งผมอีกแล้วครั้งก่อนผมขอติดตามไปด้วยและตั้งแต่นั้นมาผมกับพี่ออสและเพื่อนอีกหลายคนก็ได้ไปร่วมใจกันทำประโยชน์ให้สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเราเต็มใจช่วยอย่างจริงใจทุกคนเพราะในแต่ละคืน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บหรือแม้แต่ไปรับศพที่นิติเวศรวมไปถึงไปส่งที่วัดและในครั้งนี้ที่เกิดเหตุคือโรงงานตุ๊กตาที่พุทธมนทนสายสี่ผมก็ไปยังที่เกิดเหตุด้วยแต่ผมไปถึงขนาดที่เพลิงสงบแล้วแต่ด้านในยังร้อนระอุไปหมด พวกเราจึงทำอะไรกันไม่ได้มากนักส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรช่วยในการค้นหาซากศพผู้เสียชีวิตซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่ใช่น้อยซากศพเป็นจำนวนมากนั้นต้องนาส่งนิติเวชเพื่อชนสูตรก่อนจะเอาไปทำวิธีทางศาสนาและในวันรุ่งขึ้นตอนประมาณเที่ยงเที่ยงพี่ออส ก็โทรตามผมอีกรอบบอกให้ออกมาหาพี่เขาที่บ้านแล้วก็ไม่พูดอะไรพูดจบก็วางโทรศัพท์ไปแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมเลยรีบออกไปหาพี่ออสทันทีบ้านพี่ออสอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนักเดินไปไม่ไกลก็ถึงเออเมื่อตกี้พี่รุ่งก็โทรมาบอกว่าจะมารับพี่ออสว่าไปไหนเหรอพี่ ยังไม่รู้เลยเขาบอกให้แต่งตัวรอไว้เออเอ็งอย่าลืมเอาชุดมูลนิธิไปด้วยล่ะแล้วนี่เราจะไปไหนกันพี่รุ่งผมหันไปถามอ๋อพอดีเมื่อวานพี่เอาศพไปส่งที่นิติเวชญาติเขาก็เลยให้พี่มารับศพไปส่งที่วัดให้หน่อยก็เลยช่วยๆเขานะ่ะเราใช้เวลาเดินทางไม่นานแล้วพวกเราก็มาถึงนิติเวช ซึ่งมีญาติของผู้เสียชีวิตมารออยู่ก่อนแล้วพิรุงจึงให้ญาติผู้เสียชีวิตไปติดต่อเพื่อรับศพสบักพักพิรุงเรียกผมกับพี่ออสเดินตามเข้าไปรับศพผมเข้าไปเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ตกใจมากศพคนตายมากมายเหลือเกินมีทั้งที่อยู่ในลิ้นชักและในเปลนอกลิ้นชักวางเรียงรายเต็มไปหมดญาติผู้ตายชียบอก แล้วพวกผมก็ยกออกมาทั้งเปลใส่ลงลงที่ยญาตก็เตรียมมาก่อนที่จะยกใส่ลงนั้นเราต้องสอดด้วยผ้าพลาสติกเสียก่อนเพราะศพนั้นเริ่มมีน้ําเหลืองออกมาแล้วพอถ่ายใส่ลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่กอยปิดฝาลงขนาดตอกตะปูนั้นผมเห็นที่ปากเขาท่องคาถาอะไรสักอย่าง หลังจากนั้นก็นำโลงขึ้นรถและมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีมีรถหลายคันมารับศพกันเป็นแถวและก่อนจะขับรถออกไปนั้นรถทุกคันต้องบีบแตรเสียงลั่นสามครั้งผมไม่ทราบว่าบีบทำไมจึงตัดสินใจถามพี่รุ่งซะเลยพี่รุ่งครับทำไมต้องบีบแตรด้วยล่ะเขาว่ากันว่าบีบแตร เพื่อเรียกวิญญาณพุทตายให้ตามร่างไปไงละ่ะคำตอบของพี่รุ่งทำให้ผมหายสงสัยและนั่งนิ่งไม่พูดอะไรต่ออีกหลังจากนั้นไม่นานเราก็มาถึงวัดพวกเราและญาติญาติต่างก็ช่วยกันยกลงลงจากรถไปไว้ในศ า, าลาสปเรจัดแจงนัดโลงเปิดฝาลงออกเพื่อจะนำร่างออกมาทำพิธีอาบน้ำศพ พวกผมและญาติผู้เสียชีวิตก็ช่วยกันยกผ้าพลาสติกที่รองศพผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาร่างกายนั้นส่งกลิ่นโชยขึ้นทันทีรวมทั้งมีน้ำเหลืองไหลนองเต็มผ้าพลาสติกเต็มไปหมดจากนั้นเหล่าญาติพี่น้องก็ช่วยกันอาบน้ำแต่งตัวให้กับศพลุงแก่ๆคนหนึ่งเดินปรีเข้ามาหาที่พวกผม และขอบอกขอบใจเป็นการใหญ่เลยทีเดียวและเย็นนั้นพวกเราก็กลับมาที่ศูนย์บางบทองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อในค่ำคืนนั้นทุกคนในจุดทยอยกันมาเรื่อยๆส่วนพี่ออสนั่งฟังบ อ, อยอย่างตั้งใจพวกผมที่ทยอยมากันจนครบก็นั่งคุยเฮฮากันไปตามเรื่องตามราวเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืน ทุกคนที่อยู่ในศูนย์นั้นเริ่มผ่อนเปลือกตาลงทีละคนทีละค น, ะ ค, นคืนนั้นเหตุการณ์สงบเงียบมากรวมถึงในศูนย์ด้วยจนกระทั่งเหลือผมกับพี่ออสสองคนที่ยังนั่งฟังวิทยุกันอยู่เฮ้ยเอ็งฟังวิทยุแทนสักเดียวข้าปวดท้องจะไปห้องน้ําตามสะดวกเลยพี่ออสพี่ออสพูดจบ ก็คว้าบุหรี่ไฟเช็คไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งด้านหลังนั้นก็จะเป็นที่เก็บโลงและผ้าดิบถุงมือและอะไรต่างๆที่คนบริจาคไว้ผมนั่งไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับมีคนมองผมอยู่อะไรทำนองนั้นพอผมเหลือบตาไปมองก็เหมือนกับมีเงาอะไรดาๆบุ๊บวับไปมาผมหันกลับมาที่หน้าวิทยุ ทำเป็นไม่สนใจคงคิดไปเองละมัง้งแต่จู่ๆก็มีเสียงดังดังมาจากทางห้องน้ำผมเห็นพี่ออสรีบเดินหน้าเซ็งออกมาผมถามพี่ออสทันทีว่ามีอะไรอ้าวก็เองหรือใครล่ะที่ไปข้อประตูเร่งคาอยู่ได้พี่ออสพูดแบบหงุดหงิดนิดหน่อยฮะพี่ออส ผมยังไม่เห็นมีใครเดินเข้าไปด้านหลังเลยผมปฏิเสธเสียงแข็งแต่พี่ออสก็ไม่เชื่อนี่ไอ้ปูไม่ต้องมาล้อเล่นอะไรกับกูแบบนี้เลยนะพี่ออสทำท่าสายหัวเหมือนไม่เชื่อเด็ดขาดผมเลยบอกไปอีกครั้งพี่ออสฟังผมนะผมยังไม่ได้ลุกจากเก้าอี้ตัวนี้เลยด้วยซ้ำถึงตรงนี้ผมไม่ได้ตลกด้วยแล้วท่าทางผมคงซีเรียสจริงจง พี่ออสเลยอ่อนเสียงลงบ้างอ้าวแล้วเองได้ยินเสียงเคาะไหมผมบอกว่าก็ได้ยินแต่ตอนที่พี่ออสเปิดประตูกระแทกะแล้วก็เดินหมุนหญตดออกมาเท่านั้นแหละคิ้วของผมและพี่ออสขมวดย่นด้วยกันทั้งคู่เลยเราเริ่มจะใจไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราสองคนแล้วจู่ๆผมก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทั้งตัวเลยทีเดียวพอดีพี่รุ่ง ที่ตื่นขึ้นมาพอดีเฮ้ยเองสองคนเปลี่ยนกันไปนอนบ้างก็ได้เดี๋ยวพี่ฟังวิทยุเองไม่เป็นไรหรอกพี่ลุ่งปูกับพี่ออสตอนนี้นอนไม่หลับหรอกครับซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนอนไม่หลับงั้นก็ออกไปหาอะไรกินกันไหมผมและพี่ออสตอบตกลงทันที พร้อมกับลุกขึ้นเดินตามพี่รุ่งเปิดประตูออกไปที่รถเพื่อออกไปหาอะไรกินกันตามที่พี่รุ่งชวนพวกเราขับตะเวนกันไปสักพักหนึ่งก็เจอร้านบะหมี่เกี๊ยวเราสามคนตกลงเห็นดีด้วยกับการสั่งบะหมี่พอสั่งเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็เดินมานั่งที่โต๊ะสักครู่คนขายจึยงเดินเอาบะหมี่มาให้แล้วถามไปเลยว่าอา้าว พี่ญิงในรถไม่ลงมาทานด้วยกันเหรอพวกเราสามคนมองหน้าพร้อมกับคิ้วขมวดเข้าหากันอย่างแปลกใจส่วนผมนั้นเย็นวูบว่าไปทั้งตัวเรารีบมองไปที่รถก็ไม่เห็นมีใครอยู่สักคนแต่เราทุกคนยังคงทำท่าทางเฉยๆไว้ระหว่างที่กำลังกินบะหมี่อยู่นั้นในหัวผมนั้นก็คิดอยู่ตลอดเวลา เรื่องที่คนขายบะหมี่บอกให้ชวนผู้หญิงที่นั่งในรถลงมากินด้วยแต่ผมเริ่มเสียวมากขึ้นเมื่อผมกินบะหมี่หมดชามพี่รุ่งจ่ายเงินเสร็จเดินนำหน้าไปที่รถผมและพี่ออสเดินตามหลังพี่รุ่งมาติดๆพี่รุ่งขับรถกลับมาเรื่อยๆในระหว่างทางนั้นเงียบมากไม่มีใครยอมพูดกันสักคนมีแต่เสียงวอเท่านั้น ที่ดังกล้องอยู่ในรถเป็นระยะระยะความเงียบทำให้ความโล่งอกโล่งใจของผมหายไปทีละนิดเมื่อผมคิดขึ้นไปเองว่าถ้าเกิดมีใครมาเคาะกระจกหลังแล้วผมหันไปเจอในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จะเจอนั้นผมจะทำยังไงดีแล้วอยู่ๆผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อพิรุงตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ย ใครมีบุหรี่บ้างวะเสียงนี้ทำให้ผมและจ่าออสที่นั่งเงียบๆอยู่นานเอะอะขึ้นมาบ้างโถพี่รุ่งตกใจหมดพูดเบาๆก็ได้จ่าออสถอนหายใจดังฟู่พี่รุ่งหัวเราะก่อนจะบอกว่าแม้แมขวัญออดเหลือเกินไอปูไอออสก็ผมคิดเรื่องสยองสยองอยู่นะพี่ เรื่องอะไรของเองวะที่ว่าสยองนะพี่รุ่งถามถึงความคิดของผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรได้แต่บอกว่าเปล่าทั้งๆ ท, ที่ในใจนั้นอยากจะถามถึงเรื่องผู้หญิงคนที่แม่ขาบะมีถามว่าทําไมไม่ลงมากินด้วยกันแต่หน้าแปลกที่พวกเรามองไม่เห็นใครเลยสักคนแล้วอยู่ๆพี่รุ่งก็มีอากา ร, ปรแปลกๆเมื่อพี่รุง่งเอามือข้างซ้ายมาเขย่าหัวขา่า จ่าอออย่างแรงแต่สายตาของพี่รุ่งนั้นไม่หันไปดูจ่าออสเลยกลับตาค้างจ้องมองไปที่กระจกหลังเฮ้ยเฮ้ไอออสเสียงพี่รุ่งสั่นมากอะไรพี่พี่รุ่งไม่ยอมพูดอะไรต่อนอกจากทาท่าชี้ไปที่กระจกมองหลังจ่าออสขมวดคิ้วมองหน้าพี่รุ่งอย่างงงๆต่อด้วยการหันไปมองที่กระจกหลัง แล้วก็ตาค้างอ่าปากค้างไปอีกคนผมเริ่มตกใจแล้วแต่พอหันไป ม, มองที่หลังรถก็ไม่พบอะไรจึงโถมตัวเข้าไหาพี่ทั้งสองและมองไปที่กระจมองหลังบ้างแล้วผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายของผมเย็นวาบขึ้นมาทั้งตัวโดยอัตโนมัติมือเท้าของผมมีเหงื่อชื้นเต็มไปหมด เมื่อพิรุ่งถามผมด้วยคำพูดช้าๆเนิบๆว่าพวกเองเห็นอย่างที่ข้าเห็นหรือเปล่าวะจ่าออสและผมพยักหน้าพร้อมกันทันทีหลังจากที่เราได้เห็นผู้หญิงคนเดียวกับที่ไปรับมาจากนิติเวศเมื่อกลางวันนั่งอยู่ข้างหลังรถผมพูดกับจ่าออด้วยเสียงสั้นๆว่าจา่านั่งด้วยนะจ่าออยังไม่ทันตอบอะไร ผมก็ไปนั่งเบียดด้วยทันทีแล้วก็ถามขึ้นมาบบาๆว่าแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้จะทำยังไงได้ล่ะวะก็บอกให้พี่รุ่งแกขับเร็วขึ้นอีกนะสิยังไม่ทันที่จะบอกอะไรเลยพี่รุ่งแกก็เหยียบคันเร่งเร็วขึ้นเราหันไป ม, มองผู้หญิงที่หลังรถพอไม่เห็นก็โล่งใจแต่ทุกคนนั่งเงียบใจจดใจจ่อว่าจะทายังไงกันดี ในใจนั้นผมอยากให้พี่รุ่งขับรถให้ถึงจุดศูนย์ให้เร็วกว่านี้ผมรู้สึกว่าขากลับมันไกลกว่าขามามากพอไปถึงหน้าศูนย์พี่รุ่งจ่าอสอสก็รีบเปิดประตูรถแล้วพากันโวยอ้าวเข้าไปในศูนย์โดยไม่สนใจผมเลยสักนิดผมรู้สึกเสียวๆยังไงไม่รู้เหมือนตอนคลาหาที่เลื่อนเบาไม่เจอเพราะมือไม้สั่นไปหมดแล้ว พอลงมาได้ผมรีบวิ่งตามไปโดยลืมปิดประตูรถพอวิ่งมาถึงที่ศูนย์ผมก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นทุกคนยืนและหันไปมองที่รถผมยึ่งหันไปดูบ้างแล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยังนั่งอยู่และโบกมือมาทางพวกเราด้วยเท่า น, นั้นแหละครับพวกเราทุกคนถึงกับต้องนัดกันใส่บาตในตอนเช้า และกลับไปนอนไม่สบายไข้ขึ้นอยู่อีกหลายวันเลยทีเดียวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ